ขอความสุขความเจเริญจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอเรื่องระษาริบุตรเทระซึ่งเป็นประกาศาบกก็มาถึงช่วงที่ท่านกับบริวานรหท่านมาข่าวพระพุทธเจ้า และกราบทูลเล่าเรื่องความเป็นมาของตนความคิดเห็นของตนให้สงสาบ พ, พระเจ้าก็ทรงแสดงภาษิตก็สั้นๆว่าบุคคลที่มีความเห็นผิดเป็นทางดำเนินของชีวิตอย่ามองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ มองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเขายอมไม่พบสิ่งที่เป็นสาระกรรมสาระในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงธรรมะระดับที่เป็นแก่นหรือเป็นสาระที่แท้จริงของชีวิตเป็นตานองว่าคนเราเกิดมาชาติหนึ่งนั้น มันจะต้องมีสาระแก่นสารเพิ่มขึ้นทำนองไกลๆกับต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อปลูกเจริญเติบโตขึ้นไปมันก็ต้องมีสาระคือแก่นเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่มีแก่นเพิ่มขึ้นต้นไม้นั้นก็ไม่มีราคาไม่มีผลประโยชน์เท่าที่ควร คือแน่นอนถ้าเราดูไม้บางชนิดเช่นว่าไม้ไผ่ไม้ไผ่แก่นมันก็อยู่ข้างนอกแต่ว่าไม้ส่วนใหญ่แก่นมันก็อยู่ข้างในคือสรุปว่าก็ต้องมีแก่นนั่นเองแก่นที่กล่าวโดยสรุปนั้นอาจจะมีสามก็ได้ถ้าพูดเฉพาะเหตุอาจจะมีห้าก็ได้ คือเพิ่มเพิ่มผลเข้าไปด้วยเพราะแก่นที่แท้จริงมันอยู่ที่ผลสีลสาระแก่นคือศีลสมาธิสาระแก่นคือสมาธิปัญญาสาระแก่นคือปัญญาอันนี้ที่จริงก็คือเป็นผลรวมของอริยมรรคในองค์ประการ เมื่อริมักมีองค์แป บ, บประการสมบูรณ์แล้วก็จะเ ข, เข้าถึงแก่นที่เป็นนิโรธคือวิมุตติแกจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของอาสวะกิเลสทั้งหลายเรียกว่าวิมุตติสาระจากนั้นก็จะเกิดยานผุดขึ้นภายในใจรู้ว่าจิตใจเราได้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแล้ว เรียกว่าเรียกว่าวิมุตติยานัทสานะคือความรู้ความเห็นในความหลุดพ้นที่เข้าถึงสาระคือแก่นสารที่แท้จริง่อนข้อนี้ก็หมายถึงพวกนิพพานพวกนิโรธพวกที่หมายถึงนิพพานต่น า, นางๆแต่ก็ทำให้จิตใจของท่านสมบูรณ์โดยปัญญามีความบริสุทธ มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าในข้อต่อไปก็ส่งแสดงว่าคนที่มีความดําริชอบเป็นโคจรคือทางดำเนินของจิตพูดง่ายๆว่าจิตคิดชอบจิตมีความเห็นชอบจิตมีความดําริชอบ ก็จะสามารถจำแนกแยกแยะได้ออกไปอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระจะชัดเจนในสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะมีความดำริชอบเป็นทางดำเนินชีวิ ต, ตปัญหาใหญ่ที่ส่งแสดงก็คือปัญหาเรื่องความคิด เราจะเห็นว่าภาษาดิบุตรพระโมคลานั้นก็ผ่านกระบวนการคิดถูกคิดผิดมาโดยลำดับในตอนแรกคนแรกที่ท่านมัวเพลิดเพลินแสวงหาความสุขในโลกียรุมเย็่คนหนุ่มคนสาวทั้งหลายชีวิตในช่วงนั้นก็ไม่ค่อยมีแกน่นมีสาระอะไร ก็แก่ไปได้วันละ24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีสาระมีแกนสารอะไรในการต่อมาท่านก็คิจจรนาเห็นโทษของการใช้ชีวิตในลักษณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเนคขมะสังกับปะคือดั่งดีที่จะดึงกายดึงจิตของตนเองออกจากสิ่งที่ไร้สาระเหล่านั้น แต่พอตัดสินใจบวชในสำนักของสันชัยปริพาชคก็ไปเจออสสาระคือไม่ใช่แก่นแค่อีกแต่ท่านก็มีมมปัญญารู้จักจำแนกแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรในสุดก็ไม่คาดหวังอะไรกับสันชัยปริพาชคก็เสียบตัวว่าต่างคนต่างช่วยสแายหาก็แล้วกัน แล้วก็เจอแล้วก็ให้บอกแก่กันพอภาษาริบุตรหรือปฏติสาปริภาชกไปได้สาระแก่นสารมาจากปราสิชิตก็มาบอกพระโมคคัลลานะก็สรุปว่าทั้งสองคนก็ได้แก่นทีนี้พอมาลูกศิษย์ห้าร้อยเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนต้นๆมีเขาที่จะ แยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสาระและไม่เป็นสาระแต่เพราะจิตใจอ่อนไหวจากการที่ต้องแยกจากสัญชัยปริภาชกมาจนสัญชัยตกใจกระอักเป็นโลหิตก็เกิดสงสารอาจารย์แล้วก็กลับไปใช้250สองหสก็ไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ สัญใจเองที่จริงมีความชัดเจนว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าจริงแต่ท่านเองก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงแต่ท่านก็มองเห็นว่าในโลกนี้คนโง่มากคนฉลาดน้อยยังไงยังไงท่านก็อยู่ของท่านได้มีลูกศิลป์มีหามีความเจริญก้าวหน้าเป็นคณาจารย์เจ้ารัชชิ คนก็ลงไหลคลั่งไคล้อยู่กับท่านอยู่กลุ่มหนึ่งก็ในสุดท่านก็ไปให้ความสำคัญแก่ลาบยศสรรเสริญบริวารว่าเป็นสาระแล้วก็ละเลยสิ่งที่เป็นสาระ ต, ตกลงว่าเราจะเห็นว่าก็มีคนอยู่ห้าร้อยสามคน ประสบสิ่งที่เป็นสาระอยู่เพียง202คน252คนอีก251คนก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นสาระก็เรียกว่าเกือบครึ่งต่อครึ่งเมื่อพระเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วนั้นลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ย 250หสก็ได้บรรลุมรคบุเป็นพระาราหันแต่ว่าทั้งสองท่านตอนนั้นก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็เนื่องจากมันมีความตื่นเต้นในพระธรรมเทศนาที่มีความลึกซึ้งคงคายไม่เคยระยิตได้ฟังมาก่อนจิตใจก็ท่านก็ตึกนึกจนเพลิอนอ แล้วก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพิ่มขึ้นจากเดิมพอหลังจากบวชแล้วได้สิบห้าวันท่านก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปที่ถ้ำสุกราคาตาเขาคิจกูรก็ถวายงานพัดเบื้องประปริดาสดงของพระพุทธเจ้า ก็นั่งอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าติขานาคาอคิเวสณะซึ่งเป็นปริพาชกเหมือนกันก็มีศักด์เป็นหลานของพระสารีบุตรก็คงรู้สึกไม่พอใจที่ผู้พุทธเจ้านำพระสารีบุตรออกบวชแต่จะไปต่อว่าลุงก็ไม่ได้คือพระสารีบุตรก็ไม่ได้ โดยต่อว่าพระพุทธเจ้าต้องๆก็ไม่ได้อีกละมันไม่มีเหตุผลพอแต่ก็แสดงพูดเป็นเชิงปริศนาหน่อยหนึ่งว่าขาแต่พระหมหาสัมมาโคโดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งต้องปรงไม่ควรแกขร่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดข้าเจ้ารับสั่งวัตถิคณาขา่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเธอคิดเห็นอย่างนั้น ก็แสดงว่าความเห็นของเธอก็ไม่ควรแก่เธอเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยเราเห็นว่ามันก็เริ่มเป็นตรักกาสตร์ละทรงแสดงแบบตรักกาสตร์คือทีคณขานั่นแก่ปฏิเสธหมดสิ่งทั้งปวงไม่ควรแกขาา่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดเพราะงั้นเมื่อไปใส่คำว่าทั้งปวงทั้งหมดเข้า มันก็ไม่มีอะไรเหลือตัวขอาท่านเองก็อยู่ในสิ่งทั้งปวงทั้งหมดความเห็นขอาท่านก็อยู่ในสิ่งทั้งปวงทั้งหมดพอ่แม่ปู่ย่าตายายข้งท่านก็อยู่ในสิ่งทั้งปวงทั้งหมดภาษาดิบุตรก็อยู่ในสิ่งทั้งปวงทั้งหมดพระพุทธเจ้าเองคำสอนพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสิ่งทั้งปวงทั้งหมดท่านก็ฉลาดนะ พระเจ้ารับสั่งตอบเท่านั้นเองท่านก็รู้สึกว่าพราดทาแล้วแล้วก็สงบสงี่ยมลงจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรที่เรียกว่าเวทนาปาริฆาหาสูตรเป็นการให้ศึกษาถึงเวทนาที่เรากําหนดด้วยความชอบความชังแต่รรู้สึกยินดียินร้ายมันก็เกิดชอบเกิดชังไปตามยินดียินร้าย ต้งแสดงให้เห็นว่าเวทนาเนี่ยมันเอาก้จริงมันก็ไม่จริงเกิดมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจัจจัยเวทนาแต่ละเวทนามันเกิดขึ้นในแต่ละขณะต่อเนื่องได้ขนาดไหนก็เป็นเรื่องของการกระบวนการเกิดขึ้นเห็นสุขต่อเนื่องอยู่หลายนานทีก็เวทนาที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับมันต่อกันไป เกิทุกข์อยู่หลายนาทีก็แสดงว่าทุกเวทนาที่เกิดดับเกิดดับกิดดับมันก็ต่อเนื่องกันอยูแต่วันในขนาดใดที่เสวยเวทนาชนิดใดก็ไม่มีเวทนาชนิดอื่นเช่นก็ไม่เช่นมีทุกขเวทนาก็ไม่มีสุขไม่มีเอทุกขมาสุขมีสุขก็ไม่มีทุกขไม่มีเอทุกขมาสุขมีอทุกขมาสุขก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข ก็แสดงให้เห็นในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเวทนาทีารณะฟังแล้วก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงกบับบรรลุมรรคผลพระสารีบุตรก็นั่งฟังนั่งฟังทำนองคล้ายๆท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับคนรับประทานอาหารที่ที่คขาคดให้คนอื่นฉะนั้น หรือก็ตักอาหารไว้เพื่อให้คนอื่นกินแต่ตัวเองก็ได้กินก็ทำให้สาวกบรมีญาณของท่านที่แก่กล้าเนี่ยมันก็สนแสดงอนุภาพท่านก็บรรลุม่าผลเป็นพระหันในวันนั้นและวันที่ตอนกลางคืนพระพุทธเจ้าก็สแสดง อ, อวตารปติโมกก็จำง่ายๆนะฮะว่า ภาษาริบุตรบรรลุมรุญในวันมาคาบูชาแรกแต่การสัสรูของพระพุทธเจ้าพระมกขลานะนั้นบนรรลุไปก่อนแล้วแต่ว่าก้อยพูดรเรื่องพระโมกขลานะมันมีประเด็นในช่วงตรงเนี้น่าศึกษาในช่วงที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมนี่ก็น่าศึกษาอยู่หลายประเด็นเพราะว่ธาธรรมะที่ทรงแสดงไม่เหมือนกัน อนุไปแสดงเรื่องธ า, าตุวิพังคือการจําแนกธาตุแล้วก็อุบายวิธีแก้ง่วงตลอดถึงการวางตัวเวลาที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านคือเป็นธรรมะที่ก็ไม่ค่อยเจอบ่อยผู้กงา่าเราไม่ค่อยเจอบ่อยแล้วก็คำว่าสเบธรรมานันังปิทเวสายะ ทำทั้งพวงบุคคไม่ควรยึดปันถือมั่นที่หลวงพอ่อพุทธทาสออกมาพูดอยู่เรื่อยก็มาจากตรงนี้เองคือจากพระพุทธมรักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานะที่นี้เมื่อท่านได้บรรลุธรรมะใกลเคียงกับพระศาสดาเดนันท่านก็เล่า เล่าเรื่องเหล่านี้ไว้ในอปาทานนะอปาธานแต่ที น, นี้มันเป็นเรื่องของทํานองชมนกชมไม้อะแต่ว่าท่านก็รอบรู้เรื่องป่าเยอะจังป่าไม้ชนิดของต้นไม้แต่และชนิดที่เยอะมากแล้วก็สัตว์น้ำนะฮะสัตว์น้ำนานาชนิดฝูงปลาฝูงอะไรที่เราไม่เคยได้ยินชื่อกวเยอะ ที่เราไม่เคยเห็นก็เยอะต้นไม้ก็เหมือนกันมันทํานองคล้ายๆกับสตทานผู้ฟังเคยมาเคยฟังจุลพลมหาพลนะครับจุลพลก็คือป่าเล็กป่าน้อยมหาพลก็คือป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆป่าที่อยู่ลึกเข้าไปก็คงจะต้องไม่จําเป็นจะต้องพูดแล้วก็สัตว์ สัตว์ปูนกอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ก็ผ่านไปเลยดีกว่าเพราะว่ามีมี ม, มีมันมีธรรมะอยู่เยอะมีธรรมะอยู่เยอะเราเอาเฉพาะที่เป็นธรรมะดีกว่าจากนั้นก็มาถึงจุดหนึ่งพูดถึงอาสมของท่านอีกหน่อยหนึ่งนะฮะอาสมที่ท่านบวชเป็นฤาษีในคราวหนึ่ง ก็ไม่ได้บอกไว้ว่ามันยุคไหนก็คงจะไม่ใช่ยุคที่มีพระพุทธเจ้าท่นบอกว่าหน้าที่ใกล้อาสมของเรานั้นมีสระที่ถูกนิรมิตไว้อย่างดีมีน้ำใสสะอาดเย็นจือสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรมใจแต่ดระดาษด้วยบัวหลวงอุบล บ, บับวขาวเกลือนกราดหรือบวัวเกลือน มีดอกส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นชิบตลบไปในการนั้นเราอยู่ในอาสมที่สร้างไว้อย่างเรียบร้อยดีน่ารื่นรมใจในป่าอันมีไม้ดอกไม้ผลสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วนะแต่ว่าจะไม่ให้รายละเอียดอบที่นี้ถ้าก็เล่าถึงอีกชาติหนึ่ง ท่านได้ออกบวชเป็นดาบวชชื่อว่าสุรุจิท่านบอกว่ามีศีลถึงพร้อมโดยข้อปฏิบัติชี้เพ่งพินิษทีนี้สื่อศีลก่อนสมัยพุทธกาลในอย่างมากมันก็ศีลแปดฤาษีบางพวกก็รักษาศีลห้าบางพวกก็รักษาศีลแปด แล้วก็มีวัดปฏิบัติในส่วนฤาษีดนนั้นก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันคือเขาไม่ให้รายละเอียดแต่สรุปว่ามันก็หนักไปในฐานเคร่งครัดระดับศีลศีห้าก็ตามศีลแปดก็ตามเคร่งครัดไม่ใช่ธรรมดานะฮะเดได้รักษาศีลหศีลแปดได้เคร่งครัดแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวแล้วก็เจริญฌานเพ่งพินิจ พิจนาดูนี่แหละส่วนใหญ่ก็ลมหายใจของเพราะว่าในคำพีของพรามเนี่ยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือสังขยากระโยคะสังขยา ก, ก็คือการนับอะโยคะก็คือรูปแบบพิธีกรรมในการบำเพ็ญเพียรทางจิต ถ้าเราอ่านานาปนาปานสติสูตรของเราหรืออ่านในมหาสติปัฏฐานนานาปนานสติประนะคเราก็จะเห็นดังนึงว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่ า, ารกยา ก, กะโยค้าโอวิจิตพิสารมากแล้วก็เล่นชาญนะพูดง่า ย, ายว่าบรรลุชาญแนละ้วท่านก็เพลิอเพลิอนอยู่กับชาญข้าวชาญ เพลงพินิษฐ์ก็ไปเจริญฌานอยู่ตลอดต่อเนื่องแตนี้อาการที่ฌานต่อเนื่องนี่กิเลสมันไม่ผูขึ้นเมื่อกิเลสมันไม่ผูขึ้นก็ทาให้ท่านเข้าใจว่าท่านบรรลุนิพพานแล้วอย่างที่ทรงแสดงไว้ในทิฏิอสิบสองในปรมาชาลสูตร ซึเคยเล่าไว้แต่ว่าไม่ได้อธิบายพิสดานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องต่างศาสนานั้นอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องมันยาวเหลือเกินตั้งหกสิบสองด้วยกันทีนี้พอถึงอธิบายจุดหนึ่งมันต้องไปจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไปไปกันเรื่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างคนพบแล้วก็นำมาแสดงเอาไว้ ขันตอนบรรยายคราวนั้นตอนบรรยายที่ปรมชาลสูตรในทีคณิกาศีรคขันธวัชก็ไม่ได้บรรยายหรือปิสดานแล้วก็บรรลุอภินยาห้าอภินยาห้านั้นยันที่บอกว่ามันเป็นผลของจตุทชาญเมื่อท่านได้ถึงชาญที่สี่แล้วก็ ได้บรรลุอภินยาขอ็อใดข้อหนึ่งมาก่อนแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งท่านก็เจริญอภิญยาก็บรรลุมรรผลไม่ได้บรรลุอภิญยาครบทั้งหประการก็คือมโนมยิฐีมีฤทิ์ทางใจอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้เจตที่ประส์หูทิพย์เจตุปริยารู้จักใจถ่ายใจเข้าใจคนอื่นแล้วก็ อุพเพนวส า, าติยาลึกชาดได้แล้วก็ทิประจักสุทิปโสณนะฮะทิปโสณคือหูชิบไม่ใช่ทิปจักสุทิประจักสุทิปโสณทิประจักสุก็เป็นเป็นชาดเป็นระดับชาดแล้วก็บรุพลาหะ พระห้านั้นเป็นธรรมะที่เป็นกำลังในการขาจัดปฏิปักษธรรมคือธรรมที่ทรงกันข้ามกับพระมีอยู่ห้าประการแต่แม้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันนำไปสู่นิพพานได้เองทั้งหมดหมายความว่าเป็นผู้นำเพื่อนในข้าข้อไปสู่นิพพาน แต่องค์ไหนนับนำก่อนก็ได้ข้อแรกก็คือสถัาพละ ก, กำลังคือศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็เป็นการเชื่อในระดับคำสอนของพวกฤาษีชีพัรที่ได้สั่งสอนสืบๆกันมานั่นแหละไม่เครื่อแพร่งสงสัยมีความมั่นใจมีความแน่ใจ ในสิ่งที่ท่านเชื่อแล้วก็วิริยะพระคือขจัดความเกียดครานออกไปบวกกันความชั่วขจัดความชั่วจเจริญความดีแล้วก็รักษาความดีเอาไว้มีสติพระรธ ร, รมหน้าที่ขจัดความ หลงลืมความเผลอเรอความเลื่อเรือนความหมื่นลอยของสติแล้วก็สมาธิภระสมาธิภระก็เป็นองฌานน่ะนะฮะองฌานซี่นั่นแหละแล้วก็ปัญญาภละก็มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เป็นกรอบกรอบของท่าน ไม่ใชป่ปัญญาพระระดับพระพุทธเจ้าร ะ, ระดับพระระหาหันมันคนละประเด็นกันแต่ก็เป็นปัญญานั่นแหละมีสิทธิ์ตั้งเท่าไหรล่ล่ะสองมืนสี่พันสองมืนสี่พันคนคือฟังดูตัวเลขเนี่ยบางทีเราก็นึกว่าเองคนรุ่นโบราณเนี่ย มันมีคนมากขนาดนั้นอย่าหรออกบัวทีหนึ่งตั้งสองหมื่นสี่พันเอาบัวทีหนึ่งตั้งเจ็ดหมื่นสี่พันเอาบัวทีหนึ่งตั้งแสนหรือหลายแสนอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเอกสารมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงนะเราไม่รู้ท่านที่เรียบเรียงท่านรู้ ก็ไม่ต้องไปติดใจมากว่ามันเป็นเรื่องที่คนซึ่งเขาเกิดทันเนี่ยเขารู้เหตุแล้วพอดีมันก็ออกจากปากของพระอราหันต์คือภาษาริบุตรท่านเขาพูดด้วยปุเพนวัส า, านติยาณและลึกชาติได้แต่ว่าจำนวนมากน้อยไม่ใช่ประเด็น หือสรุปว่ามันมีลูกศิษย์มันแสดงให้เห็นความโน้มเอียงของสังคมแห่งยุคสมัยที่มีการนิยมบวชกันมากแล้วก็พอใจในชีวิตของนักบวชคือหมายความว่ามันยุคบางยุคเนี่ยเกือกระแสะกับวัตถุนิยมกับจิตตนิยมเนี่ยยังไงยังไงมันก็มันก็มีอยู่อย่างนั้น กระแสอะไรมันสูงอย่างในปัจจุบันเราเห็นว่ากระแสวัตถุนิยมมาแรงพอมาแรงคนก็ติดในการเสพ บ, บริโภคพอใจในสุขสัมผัสยินดีในเหยื่อของอารมณ์โลกก็คือรูปเสียงกลิน่นรสผัสแล้วกำหนดค่าของความเป็นมนุษย์กันอยู่ที่ความมีความเป็น คนคนมาก็เฮโลสารภาาอยู่ด้านนี้มากคนที่บวชจะน้อยลงประเทศไทยเราไม่น่าเชื่อนะฮะที่ถามพระลาวันก่อนว่าลาวมีประชากรก็ห้าหล้านแต่ว่ามีพระก็พ อ, พอกับประเทศไทยพระาะนั้นยังไม่ได้ถามว่ามีขนาดไหน เพราะอะไรเพราะว่าวิถีชีวิตอย่างพม่าอย่างลาวเนี่ยยังแนวค่อนข้างมาทางจิตนิยมไม่ได้เน้นที่การเป็นสังคมบริโภคมากเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีคนไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบรู่ราผุ่งเฟื่อยได้เผลกระแสสังคมสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่มีอิทธิพลในการสร้างสานึกของมนุษย์ออกมา เราจะเห็นว่าท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนสำลักวัตถุด้งนั้นเนี่ยคือมันมีมากจนเกินไปจนเรียดอ่ะนั่นก็มียนั่นก็มีนนท์ก็ ม, นนกมีอะไรอะไรเนี่ยอย่างเช่นชีวิตฝ้าเราเนี่ยแต่ก่อนเราก็ไม่มีเด็กมันก็ค่อนข้างจะเป็นอิสระแต่พอเด็กมันก็ต้องมีความรับผิดชอบ ในการศึกษาเราเรียนในการประพฤติปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดูแลให้เด็กประพฤติปฏิบัติมันก็ทำให้กลายกับการใช้ชีวิตแบบคารวะไปหน่อยหนึ่งก็แทนที่จะสงบเป็นอิสระมันก็ไม่สงบเป็นอิสระ แต่ในขณะเดียวกันพระในวัดต่างๆเนี่ยมีเป็นนั้นมากที่ท่านไม่มีลูกศิษย์มีธบาทมาแล้วก็ก็ขอประเคตมาแล้วนะก็มาถึงก็ฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรล้างอะไรเช็ดบาตรอะไรต่ออะไรเองมีธุราจำเป็นจะต้องรบัวเด็ก มกอดีนมีเด็กเราอื่นก็พอจะช่วยเหลือได้เป็นครั้งเป็นคราวในปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนก็บวดน้อยลงนับจำนวนเนี่ยอาจจะมากแต่ว่านับเวลาเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าแรงดึงดูดจากข้างนอกเนี่ยมันมหารแรงคนยังต้องการแข่งขันเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นกันอยู่อีกมาก แต่ยุคสมัยหนึ่งยุคของสมัยท่านสุรุจิลาบทเนี่ยท่านก็ไม่บอกว่ามันผ่านมาเท่าไรแล้วนะกี่กับกี่กันแล้วแต่เราก็เห็นภาพอย่างหนึ่งว่าภาพอย่างนี้มันก็เกิดสลับกันไปดูวัตุนิยมสังคมบริโภคคนมีความพอใจติดใจในการเสพสุข คนก็ไปกระจุกอยู่ตรงนั้นมากแล้วคนกลุ่มหนึ่งน่แหละฮะคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นแหละแต่ว่าไม่พอจะติดใจเสียสุขมันเป็นการสำลักความสุขก็รู้แล้วซ้ำๆอซ้ำๆอย่างนึกถึงมาเคยได้รับพรคนหลายคนที่ วางแล้วเราก็ตกใจนี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุท่านร้อยห้าปีท่านเจอทุกครั้งท่านให้พรทุกครั้งขอให้ท่านเจ้าคุณมีอายุยืนเท่ากับผมนีม่พระบางรูปขอให้เจ้าคุณอยู่ได้สักร้อยปีเราวางแล้วก็สยองนะวังแล้วก็สยองลองจินตนาการดูว่าเออเราอยู่แก่แก เอาตั้งแต่เก้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยไม่รู้จะอยู่ทําอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าจะกินจะอยู่จะอาบน้าอาบท่าจะขับจะถ่ายอะไรมันคงจะวุ่นไปหมดอะ่ะแล้วก็เป็นภาระแก่คนอื่นแต่เราก็ไปตั้งกฎเกณฑ์เราไม่ได้เราก็เป็นไปตามกรรมตายเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นตาช้าก็ช้าตายเร็วก็ตายเร็วเราไม่มีทางเลือกอะ่ะ เพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตที่มันมีเบื้องหลังอะไรอยู่เยอะตีน่าสังเกตก็ท่านบอกว่าคนเหล่านี้แลเป็นพรามทั้งหมดผู้มีชาติมียศแล้วก็บำรุงดูท่านสุรจิรสีมวลศิษย์ของเหล่านี้เป็นผู้เข้าใจตัวบท เข้าใจวยโก์ในตำราทานายลักษณะและคำพีอิทธิหะสะพร้อมทั้งคำพีในการดุสัดและคำพีเกตุกัสสัดจบสายเพศก็แสดงให้เห็นว่าคำพีประเวทมีมานานแต่ทีนี้จากประวัติศาสตร์ที่เราศึกษากันเนี่ยเขาก็บันทึกไว้ว่า มันเรียนกันด้วยมุขาปาถาเนี่ยมันเริ่มจงไหนก็ไม่รู้แหละจากมารุสีแปดตนแต่ว่าการจดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรูปเล่มเนี่ยมันมีหลังพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสังฆายนาประไตรปิฎกแล้วก็จดจารึกลงในคำพีไบลานก่อนตอนนั้นพระเวทก็ยังเรียนกันด้วยปากแล้วก็ เคยอ่านแต่ว่าอ่านไม่เคยจบแล้วนะคือว่าก็อ่านยากเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของลูกแกลมนาโทสะราคะโลภโทสะโมหะเนี่ยมันเยอะมากแต่มันเป็นความนิยมอะ การฆ่าสัตว์บูชายันฆ่าคนบูชายันทีหนึ่งเป็นร้อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกันพระนด็นคำพีเหล่านี้ก็ยังยังคุยกับพวกศาสนาพราหมณ์คือพวกพราหมณ์จริงๆนะบอกทําทำไมไม่แปรพระเวทออกมาดูถ้าแปรออกไปในคิดว่าทุกศาสนานี่เขาซื้อนะ เพราะว่ามันเป็นความคิดโบราณมากแล้วก็พัฒนาการต่างๆขึ้นมาโดยลําดับแก้ไข ป, ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกําหนดทิศทางกําหนดเป้าหมายกําหนดวิธีการหลักการในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งคนก็ได้บรรลุมรกคผลเพราะเราจะเห็นว่าของเราเองก็มาถึงอรูปฌานนะฮะ เพียงแต่พระพุทธเจ้าสัสรู้เมื่อออกจากจะตุทะฌานแล้วท่านนั้นเองนันก็แสดงให้เห็นว่ามันมีการพัฒนาการที่สืบเนื่องกันมาไม่ลงกลัวก็มาลงกลัวตอนที่พระพุทธเจ้าแยกไอ้ส่วนเสียออกไปแล้ว เ, เฉพาะส่วนดีมาเป็นหลักในการปฏิบัติ ก็ไม่ใช่จากความคิดธรรมดานะฮะเป็นความคิดระดับยานแล้วตตนตอนนั้นท่านมนรรลุฌานสมาบัติแปดแล้วที่คิดค้นในเรื่องเหล่านี้ทีนี้คำพีต่างๆที่ท่านบอกว่าบรรดาสิทธิ์ของเราเหล่านี้เป็นผู้ฉลาดในลางดีลางร้ายในนิมิต ด, ดีนิมิตร้ายในลักษณะทั้งหลาย อันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังในพรหมชาลสูตรเหมือนกันแต่เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าไม่ทำมาแล้วก็ไม่ให้พระสงฆ์ทำเวลาที้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะแนยตัวนี้มาแรงมาแรงเอามากๆเอาสมัยรายการที่หนึ่งเนี่ยมีกฎหมายห้ามนะพระไปเที่ยว ดูลางดีลางไยนิมิตดีนิมิตารลักษณะทางหลายศึกษาในเรื่องดินเรื่องภาคพื้นเรื่องอากาศเรื่องอะไรละงวงจุ้ยอะไรแต่อะไ ร, ะะไรางๆนี่แหะมันไม่ให้ศึกษาเรื่องชาวบ้าน ก, ก, ก็ศึกษาก็ศึกษาไปแต่พระไม่ศึกษาเพราะเราก็เห็นโครงสร้างของดาโบสว่าเอาก็จริงท่านก็เรียนแบบพราม ยังแต่ว่าท่านเป็นนักบวชสันนิษฐแล้วก็ในรูปปรจจานในรูปปรจจานมันก็มีในคำภี่พราหมซึ่งเขาก็มีการประพฤติปฏิบัติกันมาแต่ทีนี้ผลจากการปฏิบัติผลจากการปฏิบัติของสิทธิ์ของท่านสุรุจิเนี่ยสิทธิ์เหล่านี้มีความปรารถนาน้อยความโลภลดลงไปเยอะนะ แต่ปรารถนาน้อยได้เนี่ยแมมันอาหารเต็มโตะก็ฉันเท่าที่ฉันกินเท่าที่กินก็ไม่ตกะตกรตะกรามอะไรไปยังอัตภาพไปเป็นไปอาจจะฝึกทดลองตัวเองฝึกตัวเองอาหารเต็มโตะอาหารอะไรมาอยู่ข้างหน้าก็ฉันเฉพออาะอ่านนั้น อาหารที่เราชอบอร็ดอร่อยแต่ไม่อยู่ใกลอยู่ไกลเนี่ยเราไม่เอืมแล้วไม่ขอให้ใครส่งให้แต่ใครส่งให้ก็ไม่ว่าอะไรการฝึกจิตเป็นด้วยในตัวฝึกคุมความอยากทั้งทั้งที่มันกระตุ้นด้วยรูปด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยรสนะสัมผัสเรายัางไม่ได้จับต้องแต่ว่าสีนี้เราเห็นกลิ่นเราได้สูตรกลิ่น ร, รถมันก็บ่งชี้มาจากกลิ่นแต่ว่าเรายังไม่สัมผัสแล้วก็กลุ่มใจเอาไว้ทัาสาชนลองฝึกดูก็ได้นะฮะฝึกดูก็ได้มันก็สนุกดีเหมือนกันเนี่ยเอาชนะใจกันเป็นคราวๆไปมีปัญญารักษาตัวเองก็เรียกว่า นิปะกะนิปโกคือมีปัญญารักษาตนคุ้มครองตนได้อะไรเป็นอันตรายก็ป้องกันได้อะไรเป็นอันตรายที่มันเกิดขึ้นในจิตก็ขจัดออกไปได้อะไรเป็นสิ่งดีงามก็พยายามปฏิบัติสิ่งดีงามที่ปฏิบัติได้แล้วก็พยายามรักษาก็สามารถป้องกดป้องกันตนได้ในทุกทาง ในด้านทั้งความชั่วแล้วก็พัฒนาความดีประการต่อไปก็คือฉันนุ่นเดียวจากโดนเดียวนั้นก็ไม่ว่ากันถ้าเขารักษาศีลแปดก็ฉันได้เช้าชุดเที่ยงแต่เขารักษาศีลห้าก็ไม่รู้แหละทั้งวันเน่ยชันนุนเดียวแต่ฉันตรงไหนก็ได้แล้วก็ไม่รู้ ไม่โลภในลักษณะตกรตะกรามพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสกำหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาน่าพอใจรูปนี้สวยเสียงนี้ไพเราะกลิ่นนี้หอมรสนี้อร่อยสัมผัสนี้น่าจะต้องแล้วก็อยากได้มันก็แสดงว่าโลภ ทีนี้สันโดดด้วยลาบและความเสื่อมลาบคือยินดีตามที่ลาบมันจะมีหรือไม่มีมีน้อยก็อยู่ด้วยลาบที่น้อยมีมากก็อยู่ด้วยลาบที่มากแนววินทบาทนะั่นแหลแนววินทบาทเราจะเห็นว่าบางทีก็ไม่รู้จะรับอย่างไรนะมันยเยอะเหลือเกินบางทีก็ไม่รู้จะรับที่ไหนเพราะไม่มีคนรักบาท กลับมาถึงบตดบางทีก็บาดเต็มบางทีก็ได้สักครึ่งเดืองบางทีก็ไม่ได้ก็ครองชีวิตอยู่ให้ได้ระคาประครองนำพาชีวิตไปให้ได้อย่าให้ความหิวมันเสียแทงมากเกินไปก็แล้วกันแล้วก็บำรุงปวท่านหมายความว่าคนเท่าไรล่ะสองหมืนสี่พันเนี่ยช่วยดูแลคนคนเดียวนะฮะ จะดูแ ล, แลคนคนเดียวแบบกรรมฐานก็รอทุกวันเนี่ยหลยว่ดกรรมฐานบางทีเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็อึดอัดนะฮะเวลาจะเข้าสูงน้ำอาบน้ำพระก็เข้ามาช่วยกันอุตตรุษเราพอไม่ไม่ต้องช่วยหรอกไม่ต้องช่วยท่านก็ไม่ยอมจะขอแบ่งขอสักผ้าอาบน้ำให้ขออะไรถูตัวให้เราก็อึดอนะัด ว่าพระอาจารย์กรรมฐานทั้งหลายท่านคุ้นชินมาอย่างนั้นส่านใช้ชีวิตว่าอย่างนั้นท่านก็อยู่ของท่านได้ไม่รู้สึกดัดแต่ว่าพระเราทั่วไปเนี่ยคือเขาไม่ยอมให้ทําำจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงก็ตามนะฮะแต่เขาไม่ยอมให้ทําก็ก็จะอาของเขาเองก็ถือเนื้อตัวตัวเองก็คอกสวูเอง บางทีห้องน้ําก็ขาดเด้งอะไรเนี่ยเป็นการบริหารร่างกายก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นเรื่องสังคมด้วยเป็นค่านิยมทางสังคมคือท่านเหล่านั้นเขาถือว่าได้บุญอุปถามอาจารย์เนี่ยก็ได้บุญแา่เงินแต่ก็แย่งบุญกันแล้วก็เป็นผู้แพ่งฌานเราสดุประะูปบรรลุฌานด้วยกัน แล้วก็มีความยินดีในฌานพอใจยินดีคือฌานเนี่ยมันให้ความสุขนะมันให้ความสุขมีปีติมีสุขมีเอกะคะตาอ่าโดยเฉพาะทุติยฌานเนี่ยมันวิตกวิจาร์มันดับยังเหลือปีติสุขกับเอกะคะตาท่านก็มักจะอยู่ในทุติยฌานเป็นทิฏธรรมะสุขวิหารแต่รูปก็เป็นนักปราศ มีความฉลาดมีความรอบรู้ในสายของท่านนะฮะือนักปราดมันคนละทิศละทางอนนะหรือไม่ใช่ว่านักปราดในเรื่องเดียวกันมีจิตใจสงบมีจิตใจตั้งมัน่นรอะชาเนี่มันตั้งมั่นแะ่ะถ้าไม่แรงกระแทกมากเกินไปแต่ประชานั้นมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากจิตที่สงบเมื่อสงบก็ตั้งมัน่น แล้วก็ยินดีในการไม่มีความกังวลหมายความบางงานของท่านต้องไม่มากแต่งานมากมันกังกังวลน่ะกังวลเรื่องคนเรื่องอะไรแต่ อ, อไรต่างๆคือบางครั้งมันอยู่ที่ความคุ้นชินคุ้นชินเนี่เราใช้ชีวิตมาอย่างนี้มานานแล้วอย่างกตียมานี่ไม่ค่อยมีแขก มีแขกถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรมากๆก็คือประตูนี้จะล็อกเป็นปกติรองเท้าก็จะไว้ข้างในแล้วก็อย่าดูมาทุระถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญพูดคุยกันจบก็คุยกันตรงนั้นแหละก็ยืนคุยอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าหากว่ามีเรื่องคุยก็กลับเข้ามานั่งคุยกันแล้วคุยเฉพาะงานที่ก็ต้องการจะคุยแล้วก็จบกัน แต่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ทําอย่างนั้นไม่ได้โอ้อย่าดมคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาคนโน้นก็มาอคุยแล้วก็สะอาดเทบไว้เนี่ยไม่ค่อยมีสาระหรอกประเรด็นที่เขานาเสนอมันไม่ค่อยมีสาระเราก็อยู่ที่วิถีชีวิตวิถีชีวิตแล้วก็สภาพแวดล้อมสถานภาพของเราอะไรต่ต่างๆเนี่ยมันไปเข้าไปมีส่วนอยู่เรอะ ทีนี้ท่านไปอยู่ในป่ารื่นรมขนาดนี้ห่างไกลอะไรต่างๆขนาดเนี้ยทั้งป่าทั้งทะเลสาบปกาุกะอนุดาตอะไรพวกนี้ยนะฮะแล้วก็ทางสับปะสัตว์ทั้งหลายที่เกื้อกูลต่อความอยู่อย่างสงบของท่านเปิดภาพเรนนี้ก็เกิดขึ้นมาได้ทุกฝัง่งทั้งหลาย